ทขาทำาเทศนาแผ่นที่85ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20มีนาคม2559มีชื่อเรื่องว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนพุทโธอา้าวตั้งใจฟังคณะธรรมญาติโยมลูกหลาน หลูกพ่อจะเป็นได้แสดงธรรมกล่าวสังเวชนิยกคาถาก่อนที่จะแสดงธรรมขอให้ลูกหลานทั้งหลายอยู่ในความสงบแล้วก็ผู้ที่มีขณะที่หลูกพ่อตั้งนโมไปแล้วนะนโมตัสสารให้หยุดถ่ายรูปที่มีแเฟนแล้วก็ อย่าไปเดินเพ่นพ่านในขณะที่หลวงพ่อแสดงธรรมเพราะว่าเป็นการขาดสมาธิของผู้ฟังส่วนหนึ่งพราะผู้ที่มาเนี่ยมาอยากจะฟังตั้งใจฟังในเมื่อมาถึงแล้วก็อยากจะฟังในสิ่งที่อยากจะได้ศึกษาเพื่อทีให้ลูกหลานอยู่ในความสงบผู้ใดมีวิทยาโทรศัพท์ ถ้ามันมีเสียงดังขึ้นหรืออย่างน้อยก็ต้องปิดโทรศัพท์ซะก่อนหลบข้อว่านะเพราะว่ามันถึงจะรวยกาคงจะไม่รวยในเดี่ยวนี้ถ้าจะจนก็คงจะไม่จนในเดียวนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นนะช่วงนี้เป็นช่วงฟังธรรมเป็นช่วงที่ตั้งังใจฟังทางด้านจิตใจเอานำธรรมะเข้าสู่จิตใจวัะนั้นให้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 แต่เราไม่อยากจะเปรียบเทียบพระในครั้งพุทธกาลเพราะผู้ใดฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเพราะท่านตั้งใจฟัง อ, อย่างน้อยพวกเราถึงจะไม่ได้สาเร็จมรรคผลก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนวันนั้นให้พวกเราตั้งใจฟังในบทธรรมคำสอนของพุทธท่านว่าสุ ส, สังลัสเตปัญญ ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้าเราพวกเราตั้งใจฟังจะได้รับความเข้าใจความรู้ความฉลาดในเรื่องนั้นๆสุดตรมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตรมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรครอบควรสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมีมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนภาวนาปริยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาธรรมจิตใจให้สงบ จิตใจในิ่งจากนั้นก็นํามาพิจารณาในว่าภาวนาเมยปัญญาคํานี้เป็นปัญญาทางพระพุทธศาสนาสุดตมย์ปัญญาภาวนามยปัญญาสุดตมยปัญญาจินตรมย์ปัญญาเป็นปัญญาทางโลกโดทั่วไปสรุปแล้วก็คือสุด ส, สั่งแลจเตปัญญาง่างที่ได้ยกเป็นทฤษฎพราสิทธิ์เมื่อคราวที่แล้วหลวงพ่อมาที่นี่หลวงพ่อก็ได้ยก นี่แหละก่อนที่จะฟังธรรมหลวงพ่อก็ได้กล่าวบทธรรมนี้เหมือนกันแต่มาคราวนี้คณะสถาญาติโยมลูกหลานมีมากขึ้นมาหลวงพ่อจะได้กล่าวย้ำเตือนอีกเป็นครั้งที่สองอผู้ที่ยังผู้ข่าวก่อนไม่เคยม า, าก็คงจะไม่ได้ฟังเพราะนั้นหลวงพ่อจึง ว, ว่าตั้งใจฟังถ้าเจ้าจังใจฟังแล้วเราจะได้รับ ความรู้ในเรื่องการฟังวันนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งพวกเราไม่อยากจะได้ยินไม่อยากจะพบไม่อยากจะได้ยินวันนี้นะแต่ถึงอย่างไงกฎอนิจ้อางคุกขังอนัตตามีจจกใครใครก็หนีไม่พ้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราตั้งแต่พวกเรารู้จักที่รับเคารพนับถือเรื่อมใสหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น แล้วก็ครูบาอาจารย์ศิษยาณุศิษย์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นโร่งรอยมาตามมายุคสังขารล่นลงมาเรื่อยๆจนมาถึงโลกโลกของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นแล้วว่าเป็น เ, เป็นหลานหลานของหลวงปู่มั่นจากนั้นของคงจะลงไปเป็นเหลนไล่ลงไปเรื่อยเพราะนั้น อ, อ, อย่างหลวงปู่ทองของเราก็เป็นลูกศิษย์ของท่านพ่อรี วัดอโศการามเป็นหลานแท้ของท่านอีกต่างหากเนีเ่ ะ, ะอายุพรรษาของท่านา้ออายุ83ปีกว่าแล้วก็พรรษา63เป็นพระมหาเชราผู้ใหญ่ที่ขึ้นขึ้นจากไป เ, เมื่อวันที่16ที่ผ่านมา16ปีนาคมพุทธศักราช2559ัแต่วันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบ วันที่20มีนาคมจากไปไม่กี่วันวัน น, นวันนี้เป็นวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์พี่น้องประชาชนสัตยาญาติโยมเข้ามาล้นหลามหลวงพ่อเห็นแล้วก็อุ่นใจกับคณะสัตยาญาติโยมที่มาเครารพคารวะหลวงปู่ของพวกเราหลวงปู่ทองวัดอโศการามแห่งนี้สมัยเมื่อหลกตา อย่างสงทาดขันอยู่พวกอนตัตตา ญ, ญาตโยมพระสงฆ์ทั้งหลายน้องลุงทั้งหลายคงจะจําได้ที่หลวงพ่อที่หลวงตามหาบัวได้ น, นัดพระสงฆ์ ม, มาประชุมกันที่วัดอโศการามเป็นหมื่นหมื่นองค์ในคราวนั้นหลวงพ่อก็เคยเคยมาทั้งสามครั้งนะมาประชุมที่นี่มาประชุมครั้งแรกพระสงฆ์ ม, มาประชุมเกี่ยวกับนี่แหละเรื่องมติสงฆ์ แต่ท้าวความให้คณะสัตยาธิรมุ่งลูกหลานฟังนิดหน่อยนะ เ, เพื่อเป็นแนวความคิดคือองค์หลวงตาท่านบอกว่ า, าพระราชอำนาจทั้งหลายควรจะเป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ควรจะ อ, ออกมาจากพระ อ, องค์ท่านมันจะยุ่งเหยิงวุ่นวายาท่านพูดในสมัยนั้นนะแต่หากว่า อ, าออกมาแล้วออาม า, อาจากพระ อ, องค์ท่านแล้วแล้วจะให้รัฐบาลเป็นคนเสนอ เมื่อคนรัฐบาลเป็นคนเสนอต่อไปนี่พระสงฆ์ทั้งหลายใครอยากจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณก็ต้องไปหาคณะคณะผู้แทนไปหารัฐมนตรีไม่ใหม่ก็คงจะไม่มีอะไรต่อไปภายภาคหน้ายาวนานต่อไปแต่ถ้าใครอยากเป็นเจ้าคุณกั น, นมีขอรับชั่นขึ้นมาไปว่าจ้างเขาเลยทีนี้ลูกศิษย์ลูกค้กาน่ะเป็นคนจ้าง เ, เพื่อจะให้อาจารย์ของตัวเองเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณมันจะไปลักษณะอย่างนั้นนะ ถ้าว่าเดี๋ยวนี้เนะ่ผู้ที่จะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณกับพระสงฆ์เป็นผู้กันกรองกันเองเมื่อกันกลองกันเรียบร้อยแล้วก็เสนอทูลกลาวถวายในหลวงในหลวงก็ตั้งแตง่งตั้งพระราะธานออกมาตรงพระประมาพิไทยแล้วก็แต่งตั้งเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณทุกระดับเฮงตามหาบัวว่านะเพราะเรื่องของพระไม่ควรจะไปยุ่งกับโยม เรื่องกับโยมไม่ควรมายุ่งกับพระหลงตาท่านท่านจะให้เป็นสัดส่วนนะข่าวนั้นก็ท่านเน้นหนักจุดนี้อีกเหมือนกันนะนะแต่พูดในละเอียดมากกว่านี้ก็มีอยู่แหละแต่กาประชมุมครั้งแรกหลวงปู่ทองนี่แหละเป็นประธานวันแรกนะอพอประชมุมหลวงพ่อเออหลวงพอหลวงปู่ทองก็เปิดประชมุมในศาลาและศาลาหลังใหญ่ของหลวงท่านพ่อรีของเรานั่นแหละ สามชั้นทั้งล่างเต็มหมดผสง์เป็นหมื่นนะอพอครั้งที่สองมาเองนีเพราะว่าเรื่องมันยังไม่จบนะใครเขา้าจะประชุมกันอีกโลกทตามาอีกพอมาครั้งที่สองอหลวงพ่อทองเนี่ยท่านติดธุระไปบวชที่สิงคโปร์แลวอะไรนี่ลักษณะอย่างนั้นหละอพอมาถึงแล้วทีนี้พอได้เวลาประชุม พระเทระผู้ใหญ่ผมมาก็ไม่มีประธานเถอะประธานเปิดประชุมใช่ไหมไอ้พระเนสโซก็มองหน้ามองตากันก็เห็นว่าหลวงปูป่บุญมีเป็นพระผู้ใหญ่เอาหลวงปู่เปิดประชุมท่านก็อ้อยไม่เอาหรอกเอาหลวงปู่เพียนปวกเปิดประชุมไอ้ไม่เอา ป, ปู่ไทยปู่ถุยพระเทระที่ยังนั่งอยู่นั่นน่ะไม่มีใครเปิดประชุมเหมือนเถอะตายหัวหน้าประชุมไม่อยู่พอได้สโซก็เลยผักมาหาหลวงพ่อเอ็นมาหน้ พอพ่อเองก็ไ่ได้ต่างข่าต่างทางเหมือนกันเหมือนกันตายตะยตายตยมาโน่จะทำยังไงเออหลวงพ่ออะไรเอาเออนียังไงหนีไม่มม้มก้มหนีไม่้มก้มไม่วิลนะคราวนี่วะกรหลวงพ่อก็เลยนั่งคู่เข่าขึ้นมาสูงสูงขึ้นมาแล้วก็จับใหม่เออวันนี้เป็นเอาเปิดประชุมเออหลวงพ่อกล่าวว่านี่นะ เ, เราชชชชชรักเคารพเชื่อในองค์หลวงตาของเราเป็นผู้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ ท่านเป็นพวกคิดดีทำดีเพื่อสร้างสรรค์คุธศาสานาเพราะฉะนั้นพวกเรามาร่วมรวมกันประชุมในวันนี้ก็เพื่อ เ, เพื่อจะเอาหาทางออกของหลักพระธรรมวินัยให้เป็นเรื่องของพระสงฆ์ขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันหลงพ่อเ ก, ก่าไปอพอประมาณเพราะเหตุไรเพราะว่ามันจําเป็นเลยพอครั้งที่สองเองนี่ครั้งที่สาม มาออกคราวนี่ เ, เขาเราก็ไม่มั่นใจหลวงปู่ทองท่านจะหลบไปที่ไหนก็ใหม่สาบอีกเหมือนกันแต่ตามตามให่จริงเราเท้าถามถึงเอ็กกุยจานทำไมหลวงปู่เพราะว่าท่านก็ไม่ว่าพรรษาท่านก็ไม่เกินหลวงพ่อเท่าไหร่ใช่ไ้มละ่ะหลวงท่านพรรษา63สิใช่ไหมละ่ะหลวงพ่อเนี่ยพรรษา51เนะลูกหลานนะแตากับ63ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ใช่มล่ะแต่เราก็ถามาเป็นไงกูยจานเนี่ยจริงไม่มาประชมุมทั้งที่ นัดประชุมพรพเป็นหลายหมื่นนะแต่ไม่มีอะไรแล้วผมไปทุกละแต่ก็เรายังก็กิ่งใจกระทัางทุกวันเราก็ยังไม่เชื่อท่านอยู่ว่าเพราะเหตุไ้เพราะว่าท่านคงจะมีอะไรเนะพอครั้งที่สามมาอีกทีนี่หลวงพ่อก็หาข้อมูลต่างๆไปแล้วแต่ไม่ไม่มั่นใจว่าพราจริงๆพัน่าตทุรละอีกเหมือนกันไปบวชพระเหนั้นเถอะแต่นี่หลวงพ่อเออ ถึงอย่างไรก็ได้ข้อมูลแล้วหลวงพ่อกันเลยเอา้า เ, เปิดประชุมไม่มีไม่มีมมอภิ์ประชุมอย่างเก่านะหลวงพ่อก็เลยกล่าวกล่าวเปิดประชุมที่วัดนสุโการามนี่แหละ เ, เปิดครั้งที่สามภาพเป็นหมืดอีกเหมือนกันนะนะจบแล้วก็คื อ, อประชุมเรื่องสมเด็จพระสังฆราชเนะี่ยยุคสมัยนั้นคือตัวแทนผูุ้แทนสมเด็จพระสังฆราชควรจะเป็นอย่างไรหลวงตาหมาบัวบอกว่าสมเด็จพระสังฆราชยังทรงท้าสายขันอยู่ ถ้าพูดที่จะมา <c oughs> มาทำหน้าที่ <c oughs> มาทาหน้าที่แทนคือให้มานำทำหน้าที่คล้ายๆว่าผู้หนึ่งองค์หนึ่งไม่สบายแล้วก็องค์หนึ่งก็ทำกับคณะสู์ก็ทำหน้าที่แทน <c oughs> เพื่อบำรุงพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นแทนสมเด็จพระสังฆราชไม่ใช่สัานาอย่างนั้นแหล ะ, ะก่อข่าวนั้นก็ถกเถียงกันพอสมควรนะหลวงพ่อก็ได้เปิดประชุมเป็นครั้งที่สองครั้งที่วัดอโศการาม หลวงพ่อยังจาไม่ลืมนะคณะสัตยาติโยมลูกหลานเพราะเหตุอะไรจรึงจังไม่ลืมพ่อเขานะั้นมือแตกหน้าแตกหลังมือกันเหมือนกันเถิดเน่พราะพระสงฆ์ตัง้งเป็นมันมืม่นนะแต่งานทุกอย่างก็เรียบร้อยดีแต่ปีนี้ก็ทราบข่าวว่ามันก็เป็นเข้าในลักษณะที่หลวงตามหาบัวพูดนะคณะสัตยาติโยมลูกหลานถ้าเราดูดูแล้วแต่เอาเถอะอันนี้เป็นเรื่องของพระสงฆ์เป็นเรื่องของฝ่ายปกครองหลวงพ่อเอง พวกเราเองเป็นพระป่าพระดงมีตะคอยฟังแต่ถึงยังไงก็ตามการที่จะเลือกหัวหน้าให้เป็นหัวหน้าเนี่ยต้องดูให้ดีที่สุดในหมู่บ้านเขาก็เหมือนกันก่อนที่เขาจะเลือกผู้ใหญ่บ้าน เ, เขาต้องกั่นแล้วกองอีกชาวบ้านเขาต้องดูอีก เ, ออเป็นผู้ปกครองดีไหมมีมีมมวิสัยทัศน์กว้างขวางไหมมีน้ำใจไหมเขาต้องเลือก อาผู้เยี่บา้านกำนันก็เหมือนกันนะมีแต่างทางอำเภอนะใครสอบได้ก็ได้เป็นนะแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาต้องเลือกเลือกเอาเนะีนแ่แหละในหลักธรรมคำสอนของพรุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ที่เป็นหัวหน้ า, าขนาดวัวที่เป็นเจ้าฝูงที่เป็นหัวหน้ามันต้องฉลาดวัวที่เป็นหัวหน้ า, าจะพาหมูไปกินหญ้าที่ไหน เวลาจะข้ามน้ําข้ามคลองมันจะต้องดูว่ามีจระเข้ไหมในตรงนั้นน้ําตรงนั้นมันไหลเชี่ยวไหมน้ําตรงนั้นมันไหลขนาดแรงขนาดไหนจะพาฝูงข้ามน้ําไปกินหญ้าอีกฝั่งนู้นวัวจ่าฝูงมันต้องฉลาดต้องไปหาทําเลที่ว่าน้ำํำไม่ไหลแรงไม่ไหลเชี่ยวไม่มีสัตว์ร้ายเวลามันจะข้าม วัวตัวใหญ่ต้องอยู่ข้างล่างวัวตัวเล็กต้องอยู่ข้างบน เ, เพื่อวัวมันหมดกำลังก็จะได้ไปพิงอิงอาศัยวัวที่มีกำลังตัวใหญ่อยู่ข้างล่างนี่แหละวัวที่เป็นจา่าฝูงก็ยังเป็นถึงจะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายขราก็ยังเป็นสัตที่เป็นสัตว์ที่ฉลาดนำจ่าฝูงนาฝูงไปสู่จุดหมายปลายทางนี่ก็เหมือนกันมนุษยชาติของเราก็เหมือนกัน ถ่าว่ามนุษยชาติของเราเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่ในระดับไหนถ้าอยู่ในระดับโล ก, โลกถ้าโลกมีผู้นำที่ดีมีน้ำใจไม่กันแกล้งคนอื่นไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นโลกในยุคนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติก็เหมือนกันประเทศชาติของเราถ้ามีผู้นำดีประเทศชาตินั้นก็จเจริญรุ่งเรือง ในจังหวัดผู้ว่าราชการมีสติมีปัญญาดีจังหวัดนั้นก็มีความเจริญรุ่งเรืองจนสอนตลอดถึงตลอดถึงอำเภอตำบลหมู่บ้านครอบครัวไนครอบครัวอะไรก็ตามถ้าหัวหน้าครอบครัวพ่อบ้านแม่บ้านเป็นผู้นำที่ดีครอบครัวนั้นก็เอาตัวรอดได้ แวิธีรู้จักวิธีการทามาหาเลี้ยงชีพวัดใดก็ตามถ้าหัวหน้าสมพานวัดมีสติมีปัญญามีความรอบคอบอยู่ในหลักพระธรรมวินัยรักษากฎระเบียบหลักพระธรรมวินัยในวัดนั้นก็เป็นที่ยอมรับของคู่ขนทั้งหลายสรุปแล้วก็คือหัวหน้าสำคัญนะ หัวหน้าในสำคัญการที่จะเลือกหัวหน้าให้เลือกคนให้เป็นหัวหน้าสําคัญให้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจืว่ามโนปุกผังคัมมาธรรมะมโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจสรุปแล้วด้วใจเป็นหัวหน้าแต่ถ้าหัวหน้าที่ดีนะถ้าใครก็ตามหัวหน้าที่ไปดีมี่จะหัวหน้าเร็วๆกิบไปนในฐานที่เร็วจนะิบหายนะ น่าทายาตโยมลูกหลานนะต่างวหน้าดีคิดดีทดําดีพูดดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าต่อเ น, นี้ไปหลวงพอจะเข้าประเด็นแล้วนะที่นี่นะตั้งใจฟังนะที่นี่นะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะตกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะอนิจจวัตสังขาราขยวยธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะัมปาเดทาดติวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบมีนาคมพุทธศักราช2559้า้อห้าสิบเกวันนี้ พวกเราคณะตัด t าญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งความเคารพในสรีระสังขารของพญานาวิสิทธิ์วงเล็บหลวงพ่อทองจันทศิริมรณาภาพวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2559ณโรงพยาบาลศิริราชอายุของท่าน83ปี10เดือน14วัน ท่านบวชมา 63,000 ศาที่ว่าเป็นมพระมหาเถระผู้ใหญ่แล้วก็คณะสัตย า, าติโยมทุกหมู่ลาในกรุงเทพมหานครหรือในโะแวกนี้ท่านเป็นองค์แสดงธรรมให้กับพี่น้องประชาชนสัตทายาติโยมได้ฟัง เ, เป็นพระธรรมคำสอนของท่านเมื่อท่านแสดงออกไปก็ เ, เป็นที่ไพเราะ เป็นที่จับใจเป็นที่เข้าใจฟังได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายเพราะนั้นถ้าจะพูดไปแล้วก็หน้าเสียดายในองค์หลวงปู่ท่านอายุพรรษาก็ไม่มากถ้าถ้าจะว่าไม่มากก็ไม่มากแต่ถ้าจะว่ามากก็มากพอสมควรอยู่แปดสิบกปี แต่ว่าครูบายอาจารย์ที่มีอายุพรนษายอย่างองหลวงตามหาบวัวถึงปีท่านก็ยังแสดงคำประเทศศนาได้จนเกือบจะวันนาทีสุดท้ายแต่หลวงพ่อทองของเราท่านก็อายุแปดปีแต่ท่านก็ป่วยแต่ถึงอย่างไงพวกเราในฐานะลูกหลานมาจัดงานศนิล์ของท่านหลวงพ่อก็ขอตากาักเตาย้ำเตือนจุอยากเท่านั้นเองนะ ก็งานใหญ่ๆนานาจิตตังนานาทัศนะนานาความคิดเห็นแต่ถึงยังไงก็ขอให้มีหัวหน้าอย่างที่ว่านะหัวหน้าเป็นผู้พานามอบให้แล้วก็พิจารณากันให้ไปในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมท่านมีจุดประสงค์อะไรมีขนาดไหนในพวกเราที่อยู่ใกล้ชิดท่านนะพวกเราคงจะรู้เราจุดประสงค์ของท่านคืออะไร เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายมีความพร้อมเพียงมีความสามัคคีกันในเครือญาติในกลุ่มสิทธิ์ญาติสิทธิ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นถึงจะงานจะหนักหนาเถึงขนาดไหนก็เถอะถ้าว่าพวกเรามีความพร้อมเพียงมีความสามัคคีกันไปได้ทั้งนั้นแต่ถ้าว่าพวกเรามีความแตกแยกหรือว่าไม่ความเห็นไม่ตรงลงรอยกันอยู่นัสถานที่ใดที่นั่นเป็นที่ปุ่นวายที่สุดเพราะเหตุไร แต่ตามไม่จริงพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าจิตใจเป็นผู้สนดีรู้ไม่ดีคิดดีรู้ไหมคิดดีทำดีพูดดีอันไหนดีรู้ไหมถ้าหากว่าไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วลราก็ไม่รู้จะพูดกันยังไงแต่ถ้าว่ารู้จักดีรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วพวกเราคงจะวางตัวถูกอันไหนคิดดีทำดีพูดดีอันไหนคิดชั่วทาชั่วพูดชั่ว วันนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันให้คิดดีไปในทางเดียวกันแต่ว่าพวกเราคิดดีแล้วนะทำดีไปแล้วเราจะภาคภูมิใจเป็นนานเท่านานถึงจะประชุมเพลิงพระราชทานเพลิงศรีระสรังขารของพระท่านไปแล้วเราก็ยังมีความภาคภูมิในจิตในใจมีความสุขในจิตใจเพราะอะไรเพราะเราได้บูชาพระคุณในองคหลวงปู่แนตะ่หาว่าพวกเรา มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน่สรุปแล้วก็คือเลือกผลประโยชน์นั่นแหละอย่าได้มีพวกเราไม่ใช่เป็นอีแล้งอีกาที่จะมาถึงซากศพของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพวกเราควรจะเชิดชูบูชาการหาเงินหาทองหาอะไรก็ตามเราหาที่อื่นซะในจุดนี้เราหาสแสวงหาบุญหากุศลหามรรคผลนิพพาน เข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรามันจึงจะถูกนะขณะจัทตาญาติโยมลูกหลานเพราะเหตุไรหลวกพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ได้ว่าพวกเราทะเลาะวิวาทบาดหมาง ก, กันไม่ใช่จะไปคิดอย่างนั้นแต่หลวงพ่อคิดว่าถ้ามีคนสองสามคนเกิดบางทีอาจจะไม่เข้าใจกันถ้าไปทําถ้าหากว่าไม่อยากจะเข้าใจกันน ะ, ะขนาดลิ้นลิ้นกับฟันเกิดมา ลิ้นมันเกิดก่อนฟันเกิดมาเกิดจะเท่าเท่ากันมันยังกัดกันได้ทังทีมันอยู่ด้วยกันนีนหลงพ่อคิดว่าการที่มนุษยชาติของพวกเรามากมายขนาดนี้ที่จะที่จะพร้อมเพียงสมรูครีเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าว่าพวกเราไม่ไม่ยินยอมในจิตใจแล้วมันพร้อมที่จะเป็นแตกแยกกันได้ไง่าย แต่ถึงถ้าว่าพวกเรามีความุหวังมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเชิดชูบูชาในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแล้วไม่มีปัญหาะคณะนะสตา ญ, ญาติโยมโลกหลานนะ่ะแต่ลกพ่อเนี่ประสานแล้วว่ามีความาในใจหลกงพ่อมอีอยากจะให้มีความประสานมีความพร้อมเพียงมีความสมัครี่กันในกลุ่มในหมู่ในญาติของพวกเรา วันนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายให้ฟังเอาไว้นะคำนี้อย่างที่หลวงพ่อพูดแต่ ว, วันนี้หลวงพ่อจะได้กล่าว อ, อย่างโคศกได้พูดว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานหลวงพ่อเองก็อยากจะแนะนำพวกเราท่านทั้งหลายแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่น เ, เดี๋ยวนี้มีหลักมีมากสายมีหลายสาย ที่พวกเรานาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประพฤติปฏิบัติอันนั้นไม่ว่ากันนะมีหลายสายมีทางเลือกเหมือนกับสายการบินของพวกเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าว่ามีแต่การบินไทยอย่างเดียวท่านขี้เกียจท่านบินไม่ตรงเวลาด้วยอะไรไม่ด้วยเราก็ไม่มีทางเลือกใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวนี้มีหลายบิน ม, มีสายการบินห ล, หลายสายนะีย ถ้าสายกันนั้นไม่ด bon. sí, ีเอามันจะฆ่าตัวเองเเพราะฉะนั Der ้นเราไปสายที่เขาดีกว่าเพราะในสุดสายที่ไม่ดีก็เลยพยายามพยายามขยับขึ้นมาให้มันดีแข่งกันแข่งกันดีมันดีนะแข่งกันดีเนี่ยดีกว่าแข่งกันเร็วนะถ้าแข่งกันเร็วจะเสียห้อยมากถ้าแข่งกันดีเนี่ยต่างคนก็ต่างแข่งกันดีมันก็ดีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ สายกรรมฐานสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในประเทศไทยมีมากหลากหลายทุกวันนี้แต่งย่งไงก็ตามเราจะแปลกใจเพราะว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนมีอยู่40่นะกรรมฐาน40มีพุท ธ, ธาธรรมมาสังคาศีลาญาคาเทวตาอาณาปานาสติมรณะนุตติอุปสมานุสติกรรมฐาน อนุจติส0บอนุจติคือกรรมฐานที่ควรนมเลึอกถึงจากนั้นกสินสิบเอกที่พวกเราได้ศึกษาดูแล้วเี่ยที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้คือกรรมฐาน40สี่สบอย่างแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านพ่อรีของเราหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของสายหลวงปู่มั่นท่านเอามาสองอย่าง เอามาประยุกต์ใช้สองอย่างคืออาณาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วกับบริกรรมพทรุทโธอนุสติเนะีคือมีพุทธานุสติคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าธรร ม, มานุสติระลึกถึงพระธรรมสังขานุสติระลึกถึงพระสงศ์สีลายาคาเทวดาอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่นี้ท่านเอากำหนดลมหายใจเข้าออกมาบมาบวกกับพุทโธ ท, ทีแรกนะ่ะ พุทธโทรทีแรกก็มาบวกกับอาณาปานาสติอันนี้คือสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นของพวกเราที่ท่านได้นำกรรมฐานออกมาสัง่งแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนทัดทายญาติโยมแต่สายอื่นไม่ว่ากันแล้วนะแต่เราได้แต่หลวงพ่อเองได้ศึกษาจากแนวแถวหลักสายหลวงปู่มั่นวันนั้นหลวงพ่อจึงได้นำทาคาสอน ในองปติปทาที่หลวงพ่อได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหลวงพ่อเป็นเนนน้อยของหลวงปู่ล่านะเป็นเนนน้อยเป็นเน2005นะเน2005นหนะเนน2005บวชปี2500วัดสโศกรามแห่งนี้ก็เหมือนกันนะปีนั้นท่านพ่อรีท่านพ่อรีของเราบวชพระ2005นหะหลวงปู่สิงห์ทองท่านยังเคยมามาร่วมหลวงตามหาบัวก็เคยมาเทศนะ ปี 2,500 นะ่นะหลวงปู่ท่านพ่อรีบวดพระมากปีนั้นท่านอยาจะให้ครบทั้ง 2,500 อีกเหมือนกันนะที่ปัสสโวกา ร, รามนั่ย น, นะหลวงพ่อขบวดปีนั้นละ่ะปี 2,500 หลวงปู่ฟักของเราก็เป็นพระ 2,500 เหมือนกันนะไปนั้นหลวงพ่ อ, อได้ศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมก็จะเนะนำทำคำสอน ที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้มาจากองค์พ่อแม่คุบัจารย์จากนั้นก็ไปอยู่องค์หลวงตามหาบัวปี 2,512 จนถึง2 5 2 5นะหลวงพ่อจะได้ออกจากองค์ท่านไปสร้างที่วัดป่านาคำน้อยของหลวงพ่อนะเพราะนั้นการศึกษาหรือว่าการได้รับความ แนะนําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลบข้อจึงแนะนําทำําคําสอนองค์หลวงตามาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพคณะทา ญ, ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาหลวงตามหาบัวเอ่อท่านเรียนจบมหาป ร, ริญญาสามประโยคท่านไปสอบนักธรรมเอกหรือมหาป ร, ริญญาสามประโยคได้ที่วัดจีดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะ พอเจบจบแล้วท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าแต่แต่สมัยท่านเรียนอยู่แล้วท่านบอกว่าเมื่อจบมาหาเปรียญสามแล้วจะไม่ต่ออีกจะเข้าป่าจะไปศึกษาธรรมะจะไปภาวนาหาทางคนทุกเพราะว่าท่านได้อ่านพุทธประวัติได้อ่านสาวกประวัติเป็นที่ประทับใจว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่ควรจะสอบแสวงหามรรคผลนิพพาน จากนั้นท่านก็ได้ตัดสินใจไปกราบคารวะหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นกันเะนท่านมาอยู่ที่บ้านตองโขงอ้าโคกมนจังหวัดสกลนคร อ, องหลวงต า, าเข้าไปกราบคารวะในเย็นวันนั้นเย็นวันหนึ่งแต่เนี้เข้าไปกราบหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ถาอว่ากัานมาหาท่านได้เรียนมาจนถึงมาหาสามประโยค ไม่ใช่เรียนมาน้อยทั้งบาลีทั้งอัดคำทั้งหลายข้ออัดข้อธรรมมีมากมายแต่ผมอย่าหาว่าผมประมาทนะผมไม่ได้ประมาทในหลักธรรมคำสอนที่ท่านได้เรียนมาแต่ว่าผมขอบอกกล่าวย้ำเตือนว่าที่ท่านได้เรียนมานั้นนะ่ะให้ท่านเอาเข้าตู้ไว้เอาเข้าตู้ไว้ก่อนล็อกกุญแจไว้ก่อนจะได้นำได้นำอย่าได้ทำนำทำคําสำ ที่ท่านได้ศึกษามาแล้วนั้นเออามาปรับพฤติปฏิบัติถ้าหาว่าพวกท่านภาวนาไปด้วยแล้วก็เอมันเข้ากับหลักธรรมข้อไหนมันเข้ากับหลักธรรมข้อไหนท่านจะเปรียบเทียบท่านจะยุ่งเหยิงวุ่นวายท่านจะไม่ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขท่านจะยุ่งเหยิงวุ่นวายกับการที่ได้เรียนมากับการปฏิบัติของท่านมันจะสับสนกันเพราะนั้นอย่านา ยาดได้นำเอามาใช้ขณะ น, นี้ยังไม่เกิดประโยชน์สำหรับท่านให้เก็บไว้ในตู้ ใ, ใส่กุญแจไว้ก่อนและก็ให้ปฏิบัติอย่างที่ผมจะสอนอผมจะบอกกล่าวจากนั้นองค์หลวงปู่มั่นท่านก็สอนว่าการภาวนานีนะเวลาภาวนาหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทและเวลาปัดกวาดขา เ, เวลาเวียดขวาพุท เวียงซ้ายโถเวลาเดินจงกรมขาขวาพุธขาซ้ายโถเวลาดึกเดินบินเทวด า, าขาขวาพุธขาซ้ายโถบินเทวด า, าเออสรุปแล้วก็คือการเคลื่อนไหวริยะบทใดให้มีสติอยู่กับตนเองเอันนี้คือหลวงปู่มัน่นท่านสอนหลวงตานะเพราะนั้นหลวงตาท่านก็ยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มัน่นเพราะว่าท่านบอกว่ากอนหน้านี้ หลวงตามหาบัวท่านภาวนาเวลาท่านกำหนดลมหายใจท่านหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกแต่บางครั้งมันหลงมันลืมพอไปแล้วก็เสื่อมอีกพอมันเสื่อมขึ้นมาแล้วก็เสียอกเสียใจในจิตเสื่อมท่านว่านะเออหลวงตาท่านบอกแต่พอมาได้ยินคาหลวงปู่มัน่นบอกว่า เ, เวลาภาวนาให้กาหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องไม่ต้องตามลมเข้าไปในปอดและไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกเพียงแต่ให้ยืนอยู่ <c oughs> สมมติว่าให้เหมือนเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นแหละ เ, เวลาคนเข้ามาก็รู้คนเข้ามาสาราหลังนี้เวลาคนออกไปก็รู้ว่าคนออกไปไม่ให ไม่เห็นหลงไม่เห็นลืมในการกา ร, การการกหนดจิตใจของตนเองนี่แหละอันนี้ก็คือโลวตามหาบัวท่านก่อนนำไปปฏิบัติน ะ, ะวันแรกท่านบอกว่าโอ้อจิตใจของเรามันคิดติดพบติดชาติปามันป่งฟุง้งซาดมาไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติมันมากมายทีเดียว แต่บัดนี้มาบังคับให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าออกเน่ยโอ้โห อ, อ, อกจะแตกท่านว่าน น, นะแต่หลวงตาที่ท่านพูดนะท่านพูดอกจะแตกแต่ใครๆก็สู้กับอารมณ์ของตอนเองต่อมาท่านก็บังคับเพราะเข้าไปศึกษาเนี่ยศึกษาองค์หลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรต้องปฏิบัติตามเพราะหลวงตาท่านเป็นคนเดียเด่ยวอยู่แล้วเป็นคนจริงจังและจริงใจอยู่แล้ว จากนั้นทางก็ปฏิบัติวันที่สองวันที่สามทำไวันที่สองก็ไม่แพ้วันหนึ่งเที่ยงวันหนึ่งกันพอวันที่สมรู้สึกเออสติรู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้นพอวันที่สี่เออรู้สึกวา่าสติของเราทันออยิตใจพอวันที่ห้าที่หมาออบอกกับตัวเองได้แล้วว่าใจของเราจะไม่เสื่อมออสมาธิของเราดีมากเลยแน่นปึงเลยนี่แหละ อันนี้ก็คือองค์หลวงตาที่ท่านไปฝึก อ, อ, อบรมอยู่กับองหลวงปู่มัน่นท่านก็พูดให้ฟังว่าจิตที่เป็นสมาธินะ่ะเป็นยังไงคันนี้ก็อุปจาระอัปปนาสมาธิเออวอร์แรกถ้าพวกเรานั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกออมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออก เราไม่ได้พงพุ้ ง, งไปทางอื่นเรามีความใส่ใจมีจด จ, ดจออยู่ที่ปลายจมูกแต่มันเราไม่ได้เกรงไม่ได้กลึงมานะใครเข้ามาเป็นธรรมชาติรู้เป็นธรรมชาติแต่กำหนดบังคับไปให้มันคิดไปทางอื่นให้มันรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจากนั้นสมาธิมันจะเข้ามาเป็ น, ปนบางครั้งเมื่อจิตของเราจะสงบมันจะเย็นว่า ฉันว่าเจ็จิตของท่านสมัยเมื่อไปเรียนหนังสือใหม่ๆไปฝึกที่วัดโยถาใช่ป่ะนะแต่ท่านภาวนาที่อุ ป, อปช า, านะบอกเออภาวนาเนอะท่านก็ไปภาวนาพอท่อนท่องห น, น, นังสือเหนื่อยแล้วท่านก็นั่งภาวนาพอนั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบ ม, มันเย็นว่าเลยมีความสุขจริงๆพอออกมาแล้วทีนี้ อ, อ, อยากจะให้มันเป็นอีมันก็ไปเป็นทำไม เออพอไม่เป็นเอาไม่เป็นก็ไม่เป็นล้ภาวนาไปเลยพอไปพอภาวนาไปมันเย็นว่าพี่ความสุขอีกเออท่านก็ว่ากูเอออันนั้นคือตามหลักพอมาได้ศึกษาแนวแถวของครูบาอาจารย์แล้วท่านว่าความอยากจุดนั้นนะ่ะพอมันจิตใจมันจะร่วมเริ่มสงบสงบลงไปมันโอ้คงจะเป็นมันคงจะสงบแล้วนี่มันก็ถอนซักอะไรกันนะ เพราะฉนั้นเราอย่าไปตั้งความอยากทําไปเรื่อยๆมันมีเหตุเหตุมันพอและผลมันเกิดมาเองแตเพราะฉะนั้นท่านจริงต่อมาท่านก็รู้ได้ว่าท่านไม่ต้องไม่ต้องออตั้งความอยากแต่พยายามตั้งเหตุผลตั้งเหตุขึ้นมาให้มันเพียงพ อ, อ, อจากนั้นท่านก็กําหนดลมหายใจเข้าหายจกจากนั้นมันก็มีความสุขอย่างทีว่าจิตใจมันเย็นว่าง ขยันว่าบคานีนะ้คือคณิกาจิตใจที่เข้าสู่คณิกะสมาธิมันเข้าประเดี๋ยวประดาวชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้ว่าคณิกะสมาธิแต่เรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่ดูไม่ให้มันเผลอไปทางไหนจากนั้นใจของเราก็รวมรวมสงบในระดับตึงคือสตออิกับจิตควบคุมกันอยู่ เออสติกับจิตที่ควบคุมกันเออมันไม่เผลอแล้วก็มันไม่สงบแต่ยังได้ยินเสียงเสียงคนเสียงสัตว์เสียงฟ้าร้องเสียงรถเสีย ง, ยงอะไรยังได้ยินแต่ว่าใจของเราไม่ไปตามเสียงที่ได้ยินนั้นคือมันไม่ส่งไปมันก็รู้ว่าเสียงแต่สักว์ก็เสียงเออเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่าสัวว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นแต่มันไม่ไปตามสัญญาอรารมณ์ก็ว่าสติควบคุม ควบขุมจิตอยู่แต่ยังไม่สงบแต่ถ้าว่าเรามีความพยายามมีความตั้งมั่นมีความใส่ใจในจุดนั้นอยู่กําหนดดูใจในจุดนั้นคือไม่ให้ลดลงใจของเราจะรวมสงบลงเป็นอีกมติหนึ่งอีกนะคราวนี้เนะี่ยมันจะลงนิ่งลงไปเลยบางคนก็เหมือนกับตกเขวตกบก่บางคนก็เหมือนกับตกลรงในที่สูงบางคนก็เงียบเข้าไปเลย แต่ว่าการสมบข่าวนี้ผิดแปลกแตกต่างกว่าครั้งก่อนๆพอมันสมบเข้าไปสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้ว่าจิตของเราเข้าสู่ความสงบจิตเป็นหนึ่งแนวอยู่ในจุดนั้นไม่เผลออันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิ จากนั้นเมื่อเข้าสมาธิจุดนั้นแล้วมันก็ถอนขึ้นมาอพอได้กำหนดถอนบางคนก็อยู่ได้นานนะถ้าเป็นผู้ชำนาญแล้วก็อยู่ได้นานถ้าอยู่้าไม่ชำนาญก็อยู่ไม่ได้นานเข้าไปประเดียวประดาวแล้วก็ถอนออกมา อ, ออกมาเป็นอุปจาระสมาธินี่แหละอันนี้คือสมาธิถึงจะปฏิบัติอย่างไรท่านกย็ยอมรับท่านพูดว่ามีอยู่สามระดับคันนี้การสมาธิคือจิต เข้าสงบเข้าเป็นคลั่งคราวประเดียวประดาวอุปจาระคือจิตใจที่มีสติสำปันชัญนญาตควบคุมควบคุมตัวผูร้รู้ควบคุมใจดวงนั้นอยู่ให้อยู่ในเราะให้พร้อมที่จะทำงานอะไรได้ก็จะติของเราพร้อมดูจิตใจของเราไม่ทะเลทลัยไม่ออกนอกลู่นอกทางอันนี้เรกว่าอุปจาระสมาธิ อับปนาสมาธิจิตใจสงบนิ่งลงไปไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงทางหูเสียงรถเสียงลาเสียงอะไรไม่ได้ยินทั้งหมดคล้ายๆว่าใจดวงนี้ไม่ส่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใจก็คือใจมีสติอยู่แต่เรื่องตาไม่ต้องพูดถึงและเรื่องหูเนี่ยหูไม่มีที่ปิดมันก็ไม่ได้ยินเพราะมันไม่ส่งใจิตใจของเราไม่ส่งไปทางหู เพราะนั้นเมื่อถึงคราวถึงครลางออกมามันก็ถอนออกมาเมื่อถอนออกมาก็เป็นอุปจารสมาธิอันนี้คือสมาธิในเมื่อ <c oughs> หลวงตาของเราเนี่ยตามหาบวชท่านบอกว่าท่านจิต <c oughs> ใจของท่านพอท่านนั่งสมาธิเข้าไปเนี่ยใจของท่านถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยเน่งตลอดเลยเออพอนั่งเข้าไปเข้าสมาธิได้เลย ท่านบอกว่าไม่ใช่ได้ทุกวันนะแต่บางวันอากาศเย็นเย็นสบายหรือบางเวลาฝนตกวันนั้นวันฝนตกอากาศริ่นพรำเข้าไปนั่งในมุงแล้วก็ไม่มียุงก็นั่งภาวนานวันนั้น ส, สมาธิเข้าได้ง่ายมากแล้วนั่งได้นานอีกต่างหากแต่วันไหนอากาศไม่ค่อยดีอากาศร้อนไปนั่งเข้าไปเลยเข้าสมาธิค่อยยากแล้วก็ถอนได้เร็วแล้วก็บังคับเข้าอีก แต่ละครั้งในวันนั้นรู้สึกว่าเพลียเหนื่อยทวันะั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตใจไม่ได้เข้าสมาธิแต่วันไหนที่นั่งเข้าสมาธิได้ง่ายนั่งตลอดทั้งคืนเลยคือจิตที่รวมสงบอยู่ตลอดอันนี้หลวงตาท่านพูดว่าจิตใจของท่านแน่นฝืน เ, เรื่องสมาธิจนติดเป็นจิตใจติดในสมาธิว่า จนมั่นใจว่าอันนี้แหละคือมักผลนิพพานมักผลนิพพานคือจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยนะมันมีความสุขจริงๆในสมาธิจากนั้นท่านก็ไปปรึกษากราบเรียนหลวงปู่มัน่นท่านไม่ได้กราบเรียนหรอกพอไปกราบหลวงปู่มัน่นท่านก็ถามเป็นไงมหาภาวนาหลวงปูล่ลูกศิษย์ลูกครูบาอาจารย์ก็ต้องถามนะถามลูกศิษย์นะเพราเข้าไปศึกษาปไปง่ายมหาภาวนาโอ้จิตสงบดีครับผม นั่งทั้งคืนก็ยังได้ท่วงในจิตกับผมนั่งสมาธติตลอดทั้งคืนได้สบายเลยกับผมไม่ต้องออกออไม่ต้องออกจากสมาธินั่งตลอดคืนได้ครับผมหลวงปู่มั่นบอกว่าเมื่อจิตเข้าสมาธิแล้วต้องถอนนะต้องถอนออกจากสมาธิแล้วนํามาพิจารณาทางวิปัสสนาเดินวิปัสสนามันจึงจะถูกนะ แต่ไปเข้าเป็นสมาธิเท่านั้นละ่ะมันจะไปเกิดประโยชน์อะไรเข้าไปเหมือนกับเราไปนอนในห้องแอร์นั่นแหละห้องแอร์แล้วก็ออกมาจากห้องแอร์แล้วกันแล้วก็เข้าไปนอนอีกพอมันมีความสุขแต่ว่าการทํางานเนี่ยมันร้อนมันร้อนไปทําการทํางานแต่ว่าผลของงานได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะสร้างฐานะให้ตัวเองได้เพราะนั้นท่านต้องออก นำจิต ท, ที่เป็นสมาธิออกพิจารณาทางวิปัสสนา อ, อ, อันนั้นคือสมถัทธาทำจิตใจให้สงบนั่นคือสมถะทําจิตใจให้สงบในเมื่อจิตใจสงบเป็นพื้นฐานเป็นในแนวทางแนละเป็นพลังแล้วต้องออกปฏิบัติต้องออกเดินทางวิปัสสนานะแต่หลวงตามหาบัวฟังแล้วท่านก่อนถอนไม่ออกเพราะเราเคยติด ในความสุขในสมาธิ เ, เข้าไปนอนในห้องแอร์กินอาหารอิม่มแล้วก็้าไปนอนสบายพอ เ, เดินออกมามาทําการทํางานถูกถูกความร้อนบ้างทํางานมันเหนื่อยบ้างมั่นใจไม่สูงอพอใจไม่สูงกันลบก็ไปหาสมาธิอีกหลงปู่วันให้ก็ถามไปไงมาหาจิตใจออกไปทางวิปัสสนาไหมออกไปทางพิจารณาได้หรือยัง อย่างครับผมมันไม่ยอมออกเลยนะครับผมออมันไม่ยอมออกเลยพอออกไปแล้วมันมันเหนื่อยเออมันก็เลยกลับเข้ามาหาสมาธิอีกครับผมหลวงปู่มัน่นใช้ใช้เสียงแข็งเลยตัวไหเสียงแข็งเลยตัวไห น, นก็นาบทำไมเออจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อจิตสงบผ่านความสงบแล้วต้องออกต้องขอนออกมาให้พิจะะารณามันจึงจะเกิดประโยชน์เออ รสของสมาธิน่ะมันเหมือนกับเนื้อติดอยู่ในไหลฝันเท่านั้นน่ะมันหาความสุขได้ที่ไหนยั่งยืนที่ไหนสมาธิมันเพียงแต่าเหมือนกับเนื้อติดอยู่ในไหลฝันเท่าเองมันรสชาติมันเพียงเท่านั้น <Không S 1> อย่าไปติดนะต้องน้ามาพิจารณานะอันนี้คือหลวงปู่มันน่นท่านกันนาบหลวงตามาหาบัวนะหลวงตามหาบัวทั้งโอ้หลวงปู่ท่านตุเอาจริงๆเอาจริงเอาจับ จากนั้นท่านลงตามหาบัวกันนำจิตที่ผ่านความสมบูบังคับให้ออกออกท่านก็นให้พิจารณาอะไรให้พิจารณาร่างกายนะเกษาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามวัดใหญตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเกา่าแล้ว ก, กกลวก็พิจารณาถึงโครงกระดูกลงตามหาบัวทดนวันพิจารณาเรืงโครงกระดูกแต่ท่านกําหนด ท่านบอกว่าช่วงหลังๆท่านบอกว่าท่านเห็นแผนหลังของท่านนะ เ, เป็นแผวนลักขลกหนังแผนหลังของท่า น, นแดงเถือ ก, กเห็นได้ชัดเจนในความรู้สึก น, นั่นแหละอันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นท่านสอนองหลวงตาจากนั้นหลวงตาก็ถอนถอนออกมากับปิบ เ, เดินทางวิปัสสนาคิดป่งคิดป่งดูในร่างกายให้เห็น ภาพตามความเป็นจริงไม่ใช่ไม่ไม่เป็นจริงนะกระดูกเรามีจริงไหมตับเรามีจริงไหมปอดเรามีจริงไหมม้าหัวใจเรามีจริงไหมเลือดเรามีจริงไหมมันมีจริงหมดทุกอย่างให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วนี่แหละเมื่อถอนออกมาที่นี่หลวงตามหาโวโคตายเราไปติดอยู่ในสมาธิเป็นนอนจมปักจุดที่นั่นมันไม่เกิดประโยชน์อะไร อันนี้เอ า, เามาพิจารณาเราเห็นแนะเออเนี่ยแะมันจึงได้ความรู้ไร้มักได้ผลรู้ได้รู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายในจิตในใจเห็นอันนี้ยังทุกขังอนัตตาอันนี้มันจึงจะถูกทีนี้พอพิจารณาอย่างนั้นเตลิดเปิดเปิมทวันนะเราเนะี่ยมันเป็นคนไม่พอดีอนะงคุณตาท่านพูดนะในลูกหลานฟังเอาไว้นะศึกษานะเออเตลิดเปิดเปิงออกไปพิจารณาจนทั้งวีทั้งวัน มันออกมาพิจารณาร่างกายมันจนเบื่อจนตาแข็งแค่ไหมันนอนไม่ได้เออเพราะมันนอนไม่หลับเพราะมันออกมาพิจารณามันติดในการพิจารณามันเข้ามันนอนไม่หลับเลยเออมันเห็นผลในการภาวนาจะได้ไปกราบหลวงตาลุกกราบหลวงปู่มันไปไงมหาภาวนาโอ้มันออกแล้วนะกับผมมันออกพิจารณามันออกเตลิดเปิดเปิงจะนอนไม่หลับกับผมทั้งวีทั้งวันเลยมาหลายวันแล้วนี่ เออหลงปูมัน่านว่าเอยจะไม่ให้ออกอย่างนั้นได้ aky, ยังไงต้องเข้าสมาธิให้ได้บังคับให้เข้าสมาธิถ้าไปเข้าสมาธินะเป็นบ้านะเออส่งจิตส่งใจออกไปนอกต้องเข้าสมาธิให้ได้บังคับให้ได้ในเมื่อเข้าสมาธิแล้วจิตใจเข้าผ่านความสงบแล้วนำมาพิจารณาในเมื่อพิจารณาพอสมควรล้วเข้าสมาธิในเมื่อพี่เข้าสมาธิแล้ว ่พอสมคว ร, รแล้วนามาพิจารณานี่แหละคือทางที่ถูกต้องอต้องปฏิบัติอย่างนี้นี่แหละอยู่กับครูบาอาจารย์ น, ะะนะนยจจักสัตย์ทายญาติโยมรูปหลานองค์หลวงปู่มัน่นท่านสอนลูกตาอย่างนั้นจากนั้นท่านก็เออมันไม่ยอมเข้าเด็ดเดี่ยวโอโ้โหบังคับเลยเหมือนกับเราภาวนาครั้งแรกนั่นนะ่ะเอะบังคับให้ให้ให้ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพกักหายใจออกโพนั่นแนหะบังคับถึงขนาดนั้น พอจากนั้นมาบาังคับจิตใจอยู่ในความสงบพอจิตใจเข้าสู่ความสงบได้แล้วนะท่านก็นํามาพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายพิจารณาดูกระดูกทุกท่อนท่านบอกว่าต้องพิจารณาให้ละเอียดนะคลายเหมือนกับเราคาดคาดนาอย่างนั้นแหะคาดมูนคาดมูลไถ่ยอย่างนั้นนะคาดไปคาดมาคาดไม่ใช่แบบคาดครั้งเดียวนะไม่ใช่มันจ ะ, ะแตกกระจุยกระจายแค่จนเห็น เกิดความเข้าใจชัดเกิดความเบื่อหน่ายมองจุดไหนในร่างกายเห็นเป็นอสุภะปฏิปูลทั้งหมดเป็นเห็นอนิจจทุกขังอนัตตาทั้งหมดในร่างกายเป็นของที่ไม่จิรังถาวรเป็นของสู่ดินน้ำลงไปพิจารณาเป็นธาตุก็เป็นธาตุที่แท้จริงในธาตุสีของเราในร่างกายคือธาตุดินเรียกว่าปฐวีธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ำ เดโชธาตคือธาตุไฟวาโยธาตคือธาตุลมในร่างกายของเรามีอยู่สีธาตุปัทวีธาตคือธาตุดินคือกระดูกของแข็งมีอยู่ในร่างกายเขี้ยมขมอย่ในกระดูกของแข็งเน่ยเป็ว่าธาตุดินอาโปคือธาตุน้ําคือน้ําปัสวะน้ําเลือดมีในร่างกายของเราน้ํำปกธาตุน้ําอาโปวาโยธาตคือคือลมหายใจเข้าหายใจออกลมในลําไส้ เตโชธาตคือธาตุไฟธาตุไฟคือทําให้ร่างกายอบอุ่นอันนี้จะพิจารณาเป็นธาตุก็ได้หรือจะพิจารณาเป็นเอาสุภาษิติกูลก็ได้สุดแท้แต่พวกเราจะถนัดทางไหนนี่แหละให้พิจารณาร่างกายร่างกายนี่แหละเป็นหินรับปัจจัยถ้าว่าเราพิจารณาร่างกายแล้วเรารู้แจ้งเห็นจริงรู้รู้ชัดในในร่างกายแล้วเมื่อพิจารณาร่างกาย แต่บางท่านบางคนพอนั่งภาวนาจิตใจมันป่งฟุง้งมันเอาไม่อยู่ะจะไงก็คิดย่งนั้นมาเอาไม่อยู่ทันว่าให้พิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายให้นับกันข้อกระดูกของเราเลเอเรากำหนดดูกระโหลกศีรษะของเราข้อกระดูกดูศีรษะของเรากระดูกคอกระดูกหปาระกระดูกแขนขวาข้อข้อปลนข้อสอบ ไปหาแขนข้อแขนไปหาฝ่ามือดูนิ้วมืออีกทุกทุกข้อดูช้าๆไม่ใช่ดูรวดรวดเร็วนะดูช้าๆดูไปจากนั้นก็มาดูทางซ้ายอีกจากนั้นก็มาดูหน้าอกมาดูกระดูกสันหลังตัวเองมาดูกระดูกมาดูกระดูกชี้โคงที่มันโค้งมาหาการมาจอดหน้าอกเนี่ยมันมีกี่ชี้จากนั้นก็ลงไปถึงกระดูกเชิงการ จากนั้นกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกเท้าฝ่าเท้าปละดูกตี๋เท้าขาขวาขาซ้ายดูให้ถีถ่ถ้วนพบไปทวนมาจากนั้นใจของเราเห็นกระดูกท่อนไหนในร่างกายแล้ว่าเห็นในร่างกายของเราตรงไหนเห็นปอดหรือเห็นตับหรือเห็นกระดูกท่อนไหนที่มันชัดเจนในความรู้สึกนั้น เอาจิตใจของเรากําหนดอยู่ในจุดนั้นจาะ อ, อยู่ในจุดนั้นเอไม่ให้มันไปทางอื่นอันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิอให้พวกเราฟังเอาไว้นะอันที่หลวงตาท่านสอนนะ่ะปัญญาอบรมสมาธิใครเขา้าใจใช้ความคิดความคิดนั่นคือปัญญาแต่ไม่ให้มันออกนอกมูอนอกถางให้มันอยู่ในกายของเราให้เห็นอกระดูกทุกทอดมันเป็นตรงไห น, นถ้าเห็นเรากระดูกออ กระดูกกระโหลกศนะีรษะพอเห็นกระโหลกศีรษะมันชัดเจนเราก็เอาจิตจ่อดูกระโหลกศีรษะไม่ต้องขยับไปที่อื่นเพราะเราดูหลายรอบแล้วนะจิตน่นนะจิตใจมันจะรวมสะบบปุ๊บมาจบเป็นหนึ่งเลยจิตใจที่ปรุงฟุ้งไปทางอื่นนะ่ะมันจะรวมให้ไงมันเราไม่ให้มันปรุงไปทางอื่นถ้ามันปรุงก็ให้มันปรุงอยู่ในร่างกายให้มันเห็นกระดูกเนะี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือปัญญาอบรมสมาธิ แต่ถ้าว่าพวกเราตามปกติเรามาเมื่อพิจารณาร่างกายสังขารเรื่องร่างกายของเราจะเป็นธาตุก็ดีจะเป็นอสุภะปฏิปูกูลก็ดีในเมื่อพิจารณาร่างกายแล้วใครเป็นคนพิจารณาร่างกายร่างกายมันเป็นจริงอย่างที่อย่างที่เราคิดไหมอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี่จะต้องแก่เท่าชราจากนั้นก็ไปถึงจุดจบของมันคือความตาย ลงสู่ดินน้ำลงไฟขนาดร่างกายของเราเนี่ยมันยังแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลงไฟร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราและสามีภรรยาลูกหลานเงินคาทรัพย์สมบัตนะิจะเป็นของเราได้อยู่หรือใจเนี่ย เ, เดี๋ยวนี้เราหลงอะไรมันหลงหลงร่างกายนะในหลักธรรมคาสอนของพุทธะเนี่ยท่านพอพระบวชเข้ามาสมมเอ็นก็ตามพระก็ะตาม พอปวดเข้ามาท่านจะให้กรรมาฐาน5้าเลยนะเกซาโลมาหน้าขาทันตาตะโจแล้วก็าย้อนกลับขึ้นมาตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกสาให้พิจารณาร่างกายนอะอย่าไปหลงร่างกายร่างกายอันนี้มันไม่ใช่มันไม่จิรังถาวรนะอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแตกลงสู่เป็นสภาพของมันเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงจะไปหลงร่างกายจากนั้นท่านก็พิจรารณาเมื่อพิจรนารณาแล้ว เห็นร่างกายของตนเองเมื่อเห็นร่างกายตนเองแลเห็นร่างกายของคนอื่นจากนั้นก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจที่ไหนใจตัวนี้เราไปหลงไปหลงเรื่องต่างๆไปหลงร่างกายว่าเป็นของจีรังทาวนหลงโลกหลงทางใจของเราน่ยไปหลงในสิ่งต่างๆพอนํามาพิจารณาถึงตัวของเราคือตัวผู้รู้คือใจที่ไหนย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจมันไปหลงอะไร ตอนจ้อเข้ามาหาตัวผู้รู้มันก็เห็นตัวตัวเองเลยเพราะจิติของเราผ่านความสงบมาแล้วนะจิตที่ไม่ผ่านความสงบมันจะไม่เห็นนะคะุณรัศดาทายาโยมลูกหลานนะถ้าจิตใจผ่านความสงบมาแล้วมันมาม า, มาพิจารณาตัวผู้รู้คือตัวเองเนะี่ยใจของเราผ่านความสงบแล้วมันจะเห็นตัวเองนึกคิดเรื่องอะไรมันกระดุกกระเดกกรุกกระดในจิตใจมันก็เห็นอันนี้จัง คือของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันคิดนั้นปุงนี้ปิงนี่คิดที่ปุงนั้นเออมันเกิดมันกรุกกริกอยู่ในจิตใจสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตานะ่ะเออมันอนิจจทุกข์ขังอนัตตาไม่ใช่อยู่ที่อื่นนัสิมันอยู่ที่ใจตัวผู้รู้นั่นแหละ supplier. จากนั้นก็ดูที่ใจดูที่ตัวผู้รู้ดูที่ใจจากนั้นก็ปล่อยวางที่ใจ วันนั้นมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนนะไม่ไม่ได้อยู่ที่ไหนนะมรรคผลนิพพานอยู่ตีตัวผู้รู้คือใจคือตัวนมามัธรรมตัว น, นั้นแหละตัวมัณโนปุพังเข้าธรรำมานี่ยเรื่องทั้งหลายจุดนั้นทำทั้งหลายหยุดจุดนั้นวัได้ขอให้พวกเราคณะทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะนี่แหละคือวิธีการปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านให้พิจารณา พิให้พิจารณามีสติทีแรกให้มีสติสัมปชัญญะให้มีสมาธิในเมื่อมีสมาธิดีพอสมควรแล้วนําถอนออกจากสมาธิให้พิจารณาพิจารณาอะไรก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเรกล่าวในเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจนะใจของเราเนี่ยแหะเป็นตัวการเป็นผู้นํา เรื่องต่างๆเข้ามาหลงตัวเองหลงตัวเองหลงร่างกายจากนั้นเมื่อพิจารณาย้อนกข้ามาหาตัวุรู้ก็ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจแล้วเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วได้อะไรหลงพอดเหมือนกับตะก่อเราไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมเราไม่รู้กอไก่ A B C D นี่ยเราไม่รู้แต่เมื่อเรารู้แล้วน่ะเราได้อะไรและความหลงตัวนั้นมันหายไปไหน ไอ้ตัวที่ไม่รู้มันหายไปไหนมันก็หายไปเดียวอยู่ในจุดนั่นแหละตัวผู้รู้ก็คือรู้ในจุดนั่นแหละจากนั้นก็นถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของพวกเรานั่นแหละมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนมรรคผลนิพพานอยู่ที่จิตใจของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราคระทา ญ, ญาติโยมทุกๆท่านนะให้ภาวนาให้ดออูไล่เรียงไปเรื่อยๆในนะั้การประพฤติปฏิบัติ ผมหลวงพ่อก็เลยเปรียบจะเหมือนว่าเราไปฝึกตีกอล์ฟนั่นนะเราไปฝึกตีกอล์ฟบางทีก็ตีผิดตีถูกตีแรงตีค่อยตีไปตีมาแต่เราจุดประสงค์ของเราคือเราจะเขลียลูกกอล์ฟให้ลงหลุ่มนะมีจุดประสงค์คือเราจะเขลียรกอล์ฟให้ลูกลูกกอล์ฟหลงหลุ่มบางก็ผิดตีผิดตีถูกแต่ต่อไปความชำนิชำนาญของพวกเราเกิดขึ้น และกับพร้อมบุญบารมีของพวกเราสั่งสมมาติดพบติดชาติได้ฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์นั้นบางองค์นี้บ้างพวกเราก็มีความศรัทธามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจากนั้นพวกเราก็นั่นแหละผลในสุดอีกสักวันพวกเราก็คงจะเขียยลูกก๊อฟลงหลุมได้อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนาสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเรา แต่พวกเราท่นานทั้งหลายนะพิธีการประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นหลวงพ่อให้พวกเราทั้งหลายภาวนาเนอเอ้อแต่ตั้งอกตั้งใจภาวนาเนอ้อแต่พวกเราก็ไม่รู้จะตั้งตั้งต้นยังไงเพราะฉะนั้นหลวงพ่อไปนักสถานที่ใดหลวงพ่อจึงบอกเออแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเน้อสายล้มขู่มัน่นอย่างพวกเราอยู่ในบ้านของเราท่านเรามีห้องพระหรือไม่มีห้องพระก็ได้ ถ้ามีห้องพระน่าจดีถ้าเมื่อเขาพวกบ้านเดี๋ยวนี้บ้านใหญ่ๆก็ต้องมีห้องพระในเมื่อเรามีห้องพระแล้วเนะขาไปกราบพระไม่ต้องจุดธูปเทียนหรอกนะเพราะว่ามันจะเป็นพิษเป็นภัยไม่ต้องจุดมันเป็นควันเราเข้าไปแล้วก็จุดไฟฟ้าธรรมดานะี่ยนะแล้วเขาก็ไปกราบกับพระพุทธเจ้ากับพระพุทธลูกถ้าเรามีห้องพระนะ พ่อกาบเสร็จแล้วเราก็ไหว้พระอรหังสวากาโตสุปฏิปโนคือสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองจากนั้นไดประกาศพระธรรมคำสอนออกมาพระสงฆ์ก็ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผร่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นเราก่อนหโมตัสสะพระกวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธเจสดั๊ ข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรากราบพระในห้องพระนะจากนั้นเราก็กล่าวพุทธังทำมางงังสังขังสระนางคัดฉามิข้าไปเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนะเป็นที่พึง่งดูตียำปียืนยันเป็นครั้งที่สองตาตียัำปีข้าไปเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สมจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะนะเป็นที่พึง่ง อ, อจากนั้นก็อิทิพิสโสพระกวารังอยากาเยยะวาจาข้าพเจ้าได้ประม า, พาทพลาดพางพระพุทธเจ้าด้วยกายด้วยวายจาด้วยใจขอพระพุทธเจ้าโปรดโอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะสํารวมระวังต่อไปและก็สวากาโตสุปฏิปนโนจากนั้นก็แผ่เมตตาทีนี้ป น, นมือขึ้ื่นละว่างทําใจเฮนิ่งพอเนิ่งเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาเราจะว่าอาหางสุขิโตโหมีก่อนก็ได้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 อย่างที่ข้าไปเจ้าปราถนาทุกทุกดวงใจทุกทุกดวงวิญญาณด้วยเถิดเรานึกในใจของเรานอันนี้ทำให้จิตใจของเราไม่ผูกกรรมทาเวรผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดในจักรวาลเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้ว่าเวรจะระงับไม่ได้ถ้าหาะพวกเราจังจองเวรกันอยู่เวรจะระงับได้ถ้าหาพวกเราไม่จองเวร เพราะนั้นการจองเวรกันไม่เป็นพ้นดีใช่คราวนี้เราชนะเขาแต่เขาหน้าเขาชนะเรานะเมันพลิกฝั่ำพลิกหงายอยู่อย่างนั้นในโลกวัฏสงสารเพราะนั้นเราจะไปปราถนาอะไรจะไปจองคำจองเวรกับดวงวิญญาณไข่เราไม่พึงปราถนาะทั้งนั้นเมื่อเราแผ่เมตตาจบเรียบร้อยแล้วนะ เ, เราก็นั่งคัดสมาธิขาขวาทับข า, ข า, ขาซ้ายจากนั้นก็ปั น, นมือขึ้นแล้ววางอกซะก่อนนะ ไหว้ครูอีกรอบนึ่งปนมมือขึ้นแล้ววาง อ, อกไหว้พุทธโธนึ้พุทโธคือเ น, นึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าการนั่งภาวนาเนี่ไม่ใช่ผู้ใดใครผู้หนึ่งนะเป็นผู้แนะนํำเป็นของพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจรึงน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเนื้อภาวนาเนี่ยคำโมเป็นพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าสังโฆ คือพระสงฆ์สาวกได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาโคดโธธรมโธสังโธถึงสมครั้งจากนั้นเอามือลงพอเอามือลงเทนี้เรากําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโธพดโธพดโธไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลึงแต่ให้มีบังคับมีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกจากองค์หลวงตามหาบัวท่าน ประพฤติปฏิบัติแต่ถ้ามันยังหลงมันยังเผลอไปอยู่นะเอ่อมันยังทะเลสายเผลอไปอยู่เราให้รัวเลยเถอะรัวพุทโธพุทโธให้รัวเลยพุทโธพุทโธโๆในจิตใจของเรานะเออใคราว่าเอาให้มันซ้อมทับกับจุดที่มันนึกคิดแต่มันมันออกออกไปนั่นแหะให้มันอยู่ในจุดนั้นมาให้มันมีช่องออกไปอันนี้ก็พุทโธพุทโธโธโธให้อยู่ในจิตจุดนั้นอันนี้ก็คือวิธีการภาวนาพุทโธนักดับสหายญาติโยมลูกหลาน จากนั้นถ้ามว่าพวกเรามันยังเผลออยู่เอ๊มันออกช่วงไหนวะใจของเราเนี่ยพอเราก็ขนาดนี้มันยังออกได้ให้เรานับที่นี่นะหลวงพ่อเคยมาสอนที่นี่เคยบอกนะคณะสตาห์ญาติโยมนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามนับสี่ห้าห ก, กเจ็ดแปดเก้าสิบถ้ามันเผลอกลับมานับหนึ่งใหม่ท่านไม่ต้องนับถึงร้อยนะถ้ามันไม่เผลอให้นับถึงร้อย เออมันเผลอมันเผลอยังไงหายใจเข้าเป็นเลขขี้ขี่คู่ขี้คู่ขี้คู่ขี่คู่ไปถึงร้อยไม่เผลอน่ะเอ่อแปลว่าเอ่อเรานับหนึ่งเราได้ครั้งหนึ่งละหลายนาทีเดีก็นับอีกหนึ่งเอ่อขี้คู่อีกไปถึงร้อยอีกเป็นครั้งที่สองขี่คู่ไปเป็นครั้งที่สาถ้ามันเผลอนะมันจะเบลเลซะก่อนนะพอเบลเบลซะก่อนเนี่ยหายใจเข้าน่ะ ขี้หายใจออกคู่ใช่ไหมพอมันเปลือเสร็จแล้วเนี่ยหายใจเข้ามันจะคู่ได้สิเนี่หายใจคู่ออกขี้ได้สเนี่เออตั้งที่มันจะขี้คู่มันจะคู่ขี้สิเนี่ยนี่แหละเราก็รู้อะไรแหละก็ใจของเราเนี่ยเออมันไม่เป็นสมาธิเออมันนับไปถึงสิบเลยมันเผลอเี่ยเราไม่นาวไว้ใจนะอีกสักวันเด่งเราเป็นอันไซเมอร์ได้ง่ายๆนะเพล่เพลมันขาดจะตีเป็นบ้าอีกต่างหากนะเราดีนะ แน่พวกเราอย่าชราใจนะคาญญารับนักสัตายาดโยมลูกหลานนะอันนี้เราไปขี่วิธีการฝึกสมาธิฝึกสติให้อยู่กับตนเองจากนั้นเราก็พุดโทพุดโธพุดโทรนั่งนานไม่หลงพอโอนานนานเท่าที่จะนานได้นะนะก่อนที่เราจะไปนั่งเรากัเราปิดวิทยุปิดโทรศัพท์ไปก่อนปิดปิดโทรทัศน์ปิดวิทยุไม่ให้มีเสียงอะไรล่ะแต่อยู่ในห้องพักให้เขาว่าเราจะทําสมาธิ แล้วก็บอกให้พี่พี่น้องน้องลูโลนะเออในเวลาเท่านั้นนะเราเข้าเราจะเข้าสมาธิไม่ต้องประสานไม่ต้องติดต่อมานเนอะเราจะเข้าเราจะเข้าเข้าห้องเงี่ยมนะน่ะเราจะเข้าห้องเงียบคือนั่งเข้าห้องเงียบคือนั่งสมาธินั่นแหละน่นะนี่นแหละวิธีการกนัชธนายาจโยเราฝึกหัดตัวลายครั้งตัวไร้หนดเหมือนกับออพลัดลูกกอลลงหลุมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดน่ะ ใหม่ๆ ม, มันก็ต้องถูกเละถูกกังกันพอสมควรแต่ถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจอยู่อีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสมาเข้าสู่ความสงบเข้ามสมาธิได้เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยายาติวงศลูกหลานทุกคนนะนะั่นหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวสังเวรรยจริยธรรมกล่าวพุทธเออ พุทภาสิตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอเนจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงคือเกิดมาและแก่เจ็บตายอย่างหลวงปู่ทองของพวกเราเนี่ยนะตก่อนก็นเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็จะเดินตามหลังหลวงปู่ทองนี่แหละหลวงพ่อก็จะเดินตามหลังท่านเหมือนกันนะเพราะนั้น อ, อนจาวัตสังคาราสังขารเกิดมาเท่าไหร่ก็ไม่มีใครที่จะจู โชว์ฟ้าดินสลายต้องสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟในที่สุดเพราะนั้นใพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาณจากนั้นหลวงพ่อได้กล่าวว่าขยะวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยอัปมาเดนะสัมปาเดทาติขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด อันนี้คือพระพุทธเจ้าวันที่พระองค์พระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานในที่เมืองกุชินาราในคืนวันนั้นในวันคืนเดือนหกแผ่นพระสงค์มาพร้อมฟังพร้อมตามให้กับพริบหรอกพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานในในเช้าในเช้านี้พระองค์กล่า เตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าขยะวยธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดทาติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะสงฆ์ทั้งหลายแอบขอให้ท่านทั้งหลายจงยั ง, <c oughs> ง, ยงประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดจากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่ตรัสอะไรอีกเลยนี่แหะเป็นวาจาสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าสั่งเสียพวกเราให้พวกเรานํามาพิจารณารู้จิ พวกเราเขาดเหลือขาดตกอะไรไประโยชน์ต้นคืออะไรถึงเราจะทํามาค้าขายมีเงินสร้างเงินมีเงินทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็เถอะนะเราเออกไปด้วยไม่ได้สักอย่าง à, มีแต่คุณงามความดีเท่า น, นั้นที่จะนําพวกเราไปสู่ปรโรภัยภาคหน้าตายแล้วไม่สูงตายแล้วเกิดในหลักธรรมคาสอนพุท ธ, ธะ à, จากนั้นก็ประโยชน์ท่าน เราก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมอันไหนที่จะช่วยเหลือกันได้เพราะเราอยู่ด้วยกันเราจะไปกัดกรอนสังคมกินสังคมทั้งหมดเอาเปียบสังคมทั้งหมดก็ไม่น่าจะถูกนะเราต้องช่วยเหลือชุมชนสังคมด้วยนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะทาญาทโยมทุกคนนะวันนี้หลวงพ่อได้กล่าว เรื่องภาคปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจขุดพรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอนุภาพบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยบุญบารมีของหลวงพ่อทองของเราปู่ทองของพวกเร า, ท, เราที่ท่านปฏิบัติปฏิบัติชอบมาเป็นระยะเวลาทั้ง60กว่าปี บุญบารมีของท่านทั้งหลายทั้งปวงขอให้มาคุ้มครองลูกหลานคณะจัตตาญาติโยมทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกท่านทุกๆคนด้วยเถิน